เรามีเวลาเราก็พยายามนั่งภาวนานานๆเหยาๆตั้งใจเวยาๆอยา่ย า, ยาไปตั้งใจสันส้นๆทนเจ็บทนปวดทนสังเกตจดจอ่อทนพิจรารณาทนดึงไปดึงมาลากไปลากมาถูไปทูมาสังเกตสังกาดูปัญหาที่มันเกิดขึ้น เ ร, เรานั่งทําไม น, นั่งทําอะไรทําเพื่ออะไรสังเกตสังกายจับดูพฤติกรรมของจิตของตัวเองพยายามตั้งใจทําให้เป็นเป็นลำเป็นสารเป็นกิจจลักษณะอยากไปสักวทวะธรรมมันไม่ใช่งานสักวทวะธรรมมันเป็นงานระดับชีวิตจิตใจมันเป็นงานระดับพบระดับชาติจริงๆ อย่าไปทำศักดที่ว่าทำเพราะได้เวลาไปนั่งนั่งสงไปทั่วทีบทั่วแดนนะนั่งสงจิตไม่เคยสนใจที่จะดึงให้มันอยู่อะนึกไปนม้นปรุงไปนี้ปัญหานุ้นมาพันปัญหานี่มาพันนึกไปนึกมาก็ไปเจอเรื่องสนุกกับพันอยู่กับเรื่องสนุกนั่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องสนุกพาทุก เรื่องทุกข์พาสนุกเรื่องสนุกพาทุกข์ดูให้ดีดูให้ อ, อกคนจะดีได้เพราะภาวนาการภาวนาเป็นหลักการภาวนาเป็นหลักใจมันเป็นหลักของใจมันเป็นการฟื้นฟูมันเป็นการพัฒนา สติของตัวเองสำมพ็จัญญาของตัวเองผู้รู้ของตัวเองขันติคือความอดความทนของตัวเองความภาคความเพียรของตัวเองปลุกเราจิตให้มีคุณสมบัติเพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยตัวของตัวเราเองเราจะรู้สึกต่อเมื่อมันมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดไม่ได้คิดไม่ได้อะไรมาก ด้วยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจเราขยับแต่ละครั้งเราทําแต่ละครั้งมันจะเพิ่มพูนทวีคูณไปของมันเพราะหนทางนี้มันเป็นหนทางทวนกระแสเหมือนเราทวนกระแสน้ําเหมือนเราเดินขึ้นที่สูงเหมือนเราทวนกระแสน้ําทวนกระแสกิเลสนั่นแหละกา마สวะภวาสาวะอภิชาสวะอาสวะเครื่องดองน้ําดองของกิเลสนั่นนะต้องฝืนสิ่งเหล่านั้น กระแสของกิเลสต้องดูให้ออกด้วยกระแสความรักความชังบางคนก็ไปติดใจเรื่องความชังนึกชังอะไรก็ชังเข้ากระดุกดำอยู่นั่นแหละชังทำไมชังอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยย้อนถามตัวเองไม่เคยประมวลสรุปผลว่าประโยชน์คืออะไรเกิด อ, อะไรไม่รู้เรื่องแต่ชังก็ชังอยู่นั่นแหละเขา้ากระดุกดำแต่โกรธก็โกรธเครียดก็เครียด อยู่นั่นแหละเข้ากระดูกดําไม่รู้ว่าไอ้ผู้ที่โกรธผู้ที่เครียดผู้ที่ชังเนี่ยได้ประโยชน์ได้โทษยังไงไม่รู้เรื่องนั่นกระดูกที่มันละเอียดไหมกิเล่มันละเอียดไหมถ้าจะว่าหยาบก็หยาบแต่ถ้าจะว่าละเอียดก็ละเอียดสำหรับผู้มีจิตหยาบยิ่งผู้มีจิตหยาบไปแล้วกิเลตัวโตๆตัวห ย, ยาบหยาบก็ยิ่งแสดงออกไม้ปรากฏเห็นได้ชัด สิ่งเหล่านี้ดูไม่ดูที่ไหนพูดร้อยประโยคพันประโยคร้อยคำพันคำร้อยครั้งพันครั้งดูไปี่จจตของเราพันอยู่ในนั้นทั้งหมดมันพันอยู่ในนั้นทั้งหมดท่านไม่ได้พูดไปไหนหรอกจักตรงนี้ให้อยู่เนี่ยจะเข้าใจหมดถ้าไม่ได้อยู่กับตรงนี้เนี่ไม่เข้าใจพูดกี่วันพูดกี่เดือนพูดกี่ครั้งเป่าปีเสือหัวายไม่รู้เรื่อง มันไม่ได้มีอะไรที่จะมาดึงเข้าสู่หัวใจใได้รับความสงบใได้รับความสุขได้รับความชุ่มเย็นให้กลัดให้เกิดความครีมยิ้มย่องให้เกิดความรู้สึกว่าเออเรามีปัญญาโอ้เราเบาบางเราสะดวกสบายโอ้เราปลอดโปรง่งเออพอจะเห็นเงามันบ้างกิเลสออพอจะเพอจะได้ใกลพอจะได้ไอกลิ่น ของธรรมะอยู่บ้างโอชะของธรรมะพอมีรสเค็มเปรียปร้ยวห ว, ว, วานบ้างในรสชาติในลิ้นคือหัวใจของเราเไม่งั้นไม่รู้เรื่องไม่สั่งเกียสังกาไม่จดจอ่อไม่ต้องอกตั้งใจทาเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงเป็นของเราไม่ใช่ของใคร โอกาสเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องต้องสร้างต้องทาเอาไม่ใช่จะต้องปล่อยปอยให้มันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองก็ตายเปล่ากิเลสไม่ยอมปล่อยให้เกิดมันอยู่มันกลุมอยู่ในอำนาจของมันหมดถ้าอยู่ในอำนาจของธรรมเป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดกิเลสไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิทจะมากุมมังเหียนละดึงมาใส่ธรรมทั้งหมดมีสองกำลังสองเรียวเรนนี่แหละ ที่มันขยเยิกันไปขยเยรกันมาดูในหัวใจของเราเรามีชีวิตอยู่ในโลกกี่วัน ก, กี่เดือนกี่ปีอะไรคือคุณสมบัติพัฒนาให้เราดีขึ้นถ้าไม่นับสินนับธรรมแม้แต่ภารกิจทางโลกถ้านอกเหนือไปจากสินจากธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของเกลียดทั้งหมดถ้าอยูไไ่ภายใต้กรอบของสินของธรรม มันก็เป็นสินเป็นธรรมเป็นบริษัทเป็นปริวาณเป็นรสชาติของสินของธรรมเป็นเนื้อนหนังของสินของธรรมท่านจึงให้ ส, สนใจคนที่สนใจคนนั้นจะได้เปรียบคนที่ไม่สนใจคนนั้นจะเสียเปรียบเสียเปรียบเกลีดไม่ต้องไปพูดถึงเสียเปรียบได้เปรียบคนอื่น ได้เปรียบกิเลสเสียเปรียบกิเลสไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นคนอื่นเป็นเรื่องอื่นไปแล้ววันทีพูดถึงเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเขาทั้งนั้นใครทำดีทําไม่ดีเป็นเรื่องของเขาใครทําดีก็เป็นกรรมดีของเขาเราไม่มีส่วนแบ่งปันใครทําไม่ดีก็เป็นส่วนกรรมไม่ดีของเขาเราไม่มีส่วนแบ่งปันเลยเราอย่าไปสายไปเสหาเรื่อง อย่าไปใส่ไปเสาะหาเรื่องเอากรำของเราไปแทรกกรำของเขาพลอยไปรับพลอยไปรับกรรมมาจากกรรมของเขาที่เขาเรียกว่าแขว่งเท้าเข้าหาเสียนเรื่องกำภายในใจของไ ข, ข, ง ข, งขง่ของเราของท่านของท่านของเราของเราไม่มีใครสามารถจะโยนให้เกี่วกันและกันได้ถ้าเราไม่ฉลาดปัดออกไปถ้าเราไม่โง ด, ดึงเข้ามา ถ้าไม่เกี่ยวกับเราแล้วกรรมของไข่ของเรากรรมให้ผลเป็นเรื่องของไข่ของเราไปบุญทั้งหลายที่เราทำล่วงไปแล้วก็ตามดำริกำลังจะทำก็ตามในขณะที่ทำอยู่ก็ตามล่วงไปแล้วก็ตามเป็นบุญเป็นกรรมของเราเป็นของที่ล่วงไปแล้วเป็นส่วนที่เราดำริ ดีแล้วเป็นส่วนที่เราตั้งใจทําไว้ดีแล้วการที่เรานึกถึงกรรมเก่าบุญเก่าแต่เราไปคิดถึงอุปสรรคข้อขัดข้องเกิดอกุศลใหม่ขึ้นมานี่เป็นอกุศลใหม่โดยโด้วยเหตุที่เราไม่ได้ละมัดไม่ได้ระวงังทําให้ของเก่าต้องบินไปด้วยแทนที่จะเต็มเต็มอะบินไปด้วยระวังให้ดีแต่แทนแหละ เรื่องกรรมภานจิตของเราเราจึงพ <stream> nice. ูดเรื <things> ่อยๆเนื่องๆว่าพยายามรักษากรรมตัวเองให้บริสุทธิ์ดูออกได้รู้ได้ด้วยตัวของตัวเราเองเข้าใจด้วยตัวของตัวเราเองไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นมาดูให้ไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นมาตัดสินให้ไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นมาให้คะแนนมาตัดคะแนนเราเราเข้าใจตรงนี้ได้เราเอาตัวรอดสามารถรักษากรรมตัวเองให้บริสุทธิ์ได้ ไม่จําเป็นจะต้องเอาจิตของเราไปสายแส่หาโทษหาเวหากรรมจากใครเท่านั้นกรรมของใครของใครเขารับเอาของเขาเองเราไม่มีส่วนที่จะไปรับได้นอกจากเราไปแส่หารับอามาท่านั้นเองนี่คือหลักความจริงคือคือหลักสัลธรรมคือสาเหตุคือต้นตอพูดทั้งปีทั้งชาติหมุนมาที่ใจแล้วเราจะเห็นถ้าไม่หมุนมาทั้งปีทั้งชาติเราก็ไม่เห็นหัวหนุกหัวหนุกตาบอดอยู่นั่นแหละ วันคืนล่วงไปให้พยายามรักษาพยายามศึกษาพฤติกรรมใจของเราเองใจนี้ใจตัวเดียวเป็นสิ่งแสดงโลกนี้ปรากฏกับเราเราระมัดระวังมันไม่ได้แล้วเราปล่อยเละเทะเหลวไหลไปตามอำนาจของกิเลสแล้วมันจะแล้วแต่มันจะดึงจะชักจะลากจะพาเราไปอผลรายได้เป็นของเรา แต่ผลมันพาสนุกมันเป็นเรื่องของมันเวลาโทษขึ้นมาแล้วมันไม่รับเอาเหมือนลูกตาสันเทศนั่นแหละมันปล่อยให้เราทําตามอานาจของมันแต่ผลรายได้มันไม่รับเอาผลรายได้ของมันไม่มีอะไรมีแต่กล่องทุบมันทิ้งให้เราหมดแท้ที่จริงก็คือเราเราสร้างเองเรารับเองคําว่ากิเลสกิเลสที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งเป็นปุกคลาธิฐานขึ้นมานี่เพื่อให้เป็นคู่ต่อสู้ เราพอจะมองเห็นว่ามันเป็นกิเลสแท้ที่จริงกับจิตของเราเนี่ยมันเร็วสามความเร็วสา ม, มายาของจิตของเรานั่นแหละมันแสดงผลิตผลออกมาให้จิตดวงนั้นเศร้าหมองพอเกิดความเศร้าหมองท่านเรียกกิริยานั้นว่ากิเลสกิเลสแปลว่าสภาพที่ทำให้จิตเราเศร้าหมองเราต้องเข้าใจด้วยมันไม่ใช่มีตัวมีตน ม, ตมีอะไรสั เป็นมายาของใจความเร็วต่ําซามของใจมันเป็นกิริยาการของของใจของผู้รู้ผู้รู้เรายังถูกชะถูกล้างถูกขัดถูกกล่าไม่ถึงที่สุดยังพัฒนาตัวเองไม่ถึงที่สุดเมื่อพัฒนาไม่ถึงที่สุดมันมีสิ่งเคลือบสิ่งแฝงมาอย่างไงมันก็อยู่อย่างนั้นหน้าที่ของเราเรามี มีหน้าที่ที่จะมาชะมาล้างสิ่งที่เคลือบที่แฝงเนี่ยให้เบาวไปให้บางไปให้หมดไปให้จางไปมันเคลือบมาแบบไหนมันมืดตึ๊บที่พระเจ้าทรงตรรวาอวิชชาวิชาาวช า, า, ชานั่นแหละมืดตึ๊บปนั้นแหละอวิชชาเออโมหะเออยิเลตเอยตันหาเอออะไรเอยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละคือกิริยาอาการของจิตที่มันต่าําซ้ำแต่ส่วนรหดับ ผู้รู้เป็นผู้รู้สักดิ์ตวรรุษแต่สิ่งเหล่านี้มันเคลื่อนมา ก, กับผู้รูอ้อาศัยผู้รู้เป็นต้นตอพาชักลากสิ่งเหล่านี้ไปก่อนนู้นไปก่อนนี้ไปสร้างนู้นไปสร้างนี้หลงเพลินไปกับรูปกับเสียงกับเพลินกับรถกับสัมผัสตามอำนาจความรู้ของตัวเองรู้ทางตาเาเพลินไปกับตารู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลับตานึก น้อมนึกภายในใจกัหลงเพลินไปกับอำนาจของใจนั่นเขาเรียกว่าหลงเพลินหลงเพลินไปเลยนึมลืมนึกลืมคิดลืมช่าใจลวมตัวเข้าไปเรื่อยหล้วมตัวเข้าไปเรื่อย อ, อันไห น, นยินดีอันไหนชอบใจกิริยาที่ไปมันมีสิ่งที่คอยเก็บกักเอาไว้ยินดีชอบใจเก็บกักเอาไว้ไม่ยินดีไม่ชอบใจเก็บกักเอาไว้นะตราบที่มันมีกิเลส ตัวที่มันพาเราดี้ดเราดิ้ดเราดิ้นเราไปมันจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นขุนคลังของมันมันค่อยเก็บสะสมเอาไว้แต่เราจะพูดไปก็คือผลของมันมันเกิดขึ้นเองนั่นแหละในขณะที่มันกระดุกกระดิกพลิกแปลงไปมันเป็นการกระทําของมันเป็นกรรมของมันในเมื่อมีการกระทําของมันก็มีผลของกรรมที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมมันไม่มีสิ่งใดในโลก ที่มีการทําลงไปแล้วจะไม่มีผลที่ เ, เรียกว่าวิบากกรรมมันไม่มีเมื่อจะนึกคิดนั่งเรื่อยเปื่อไปอย่างเงี้ยมันก็มีวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือผลคอยติดตามเนื่องอยู่นั่นแหละแต่ผลที่ร้ายกาจที่สุดก็คือผลของกิเลสนั่นแหละอ<ม>ผลของกิเลสตัณหานั่นแหละเป็นตัวดีดดิ้ น, นหัวใจของเรากิริยาอาการทั้งหมดของตัณหาที่มันพาดีดดิ้นนั่นแหละ เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเราชี้ชัดมาลงที่ตัณหาแล้วก็ดูมาที่ใจของเราความดิ้นรนความทะเยอทะยานอยากของใจนั่นแหละตัวกิริยาอาการของมันมันดีดดินไปด้วยอำนาจของความมืนบอดดิดดินไปด้วยอำนาจของโมหะไม่รู้ไม่เข้าใจเลรนันทิราคะสหกตา เพลินประกอบไปด้วยความกำหนัดความยินดีเพลินเป็นอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสหกตาสหกตาประกอบไปด้วยกันพร้อมด้วยกันนันทิราคะยินดีกับความกำหนัดความยินดีสหกตาประกอบไปด้วยกันเพลินไปอยู่อย่างนั้นตตตตระพินันตินีตตตตราพินันตินี มันเป็นโดยหลักธรรมชาติขวกมันเราไม่ใช้สติใช้สัมปชัญญะไม่ปลุกจิตตัวอื่นให้ตื่น ไ, ไม่ปลุกจิตตัวเองให้ตื่นการปลุกจิตตัวเองมันมีกิริยานหนึ่งของผู้รู้ของเราที่มันสามารถปลุกจิตตัวเองให้ตื่นขึ้นมาได้กิริยานนี้คือสติสติสติดูไปที่สติสตินี้เป็นคําพูดนะดูไปที่กิริยาอาการของมันที่มันเกิดขึ้นที่จิตของเรา ยับยับยับยับรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นตอนที่มันตื่นตอนนั้นเนี่ยผู้รู้เราเป็นตัวของตัวเต็มร้อยแต่ตอนที่มันตื่นนั่นน่ะผู้รู้ของเราเนี่ยเต็มร้อยอไม่ถูกอวิชชาตันหาวปาทานมาเคลือบแฝงแต่ถ้ารู้ไปตามอำนาจของกิเลสแล้วยังฝืนอยู่นั่นปเป็นไปตามพลังของกิเลส เป็นไปตามพลังของกิเลสแต่ถ้าเป็นสติสัมปชัญญะในอริยมรรคในองค์มรรคมีสติมีสัมปชัญญะมากเท่าไห ร, ร่มันรู้มันจ่ออยู่เหมือนเป็นหนึ่งเดียวกำหนดจดจ่ออยู่ทําให้ผู้รู้ของเราเนี่มีพลังคือมีความรู้มีความสว่างสวัยพลังอันนี้คือพลังที่เรากำหนดจดจอ่อใช้ความอดทนใช้ความภาคความเปลี่ยน ใช้ความอุตสาหพยายามประคับประคองที่จะเรียกว่าสติสัมปญญาขันติสวรรค์ญวิริยะอุตสาหะความภาก ค, ความเพียรกำหนดจดจอ่อเป็นทางเป็นมักเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติมันมันสะสมมากๆเขามัก็มีพลังนี่เมื่อมีพลังกลายเป็นว่ามีผู้มีผู้มีอำนาจโดยธรรม ควบคุมผู้รู้หลวงนี้อยู่กํากับดูแลอยู่ให้ตื่นรู้อยู่ให้โรูอยูอ่ไม่ปล่อยให้อํานาจของโมหนะมันคลุมจิตตรงนั้นราคะก็เกิดไม่ได้โทสะก็เกิดไม่ได้อิจฉาริศเสีพยาบาทเกิดไม่ได้พาจิตนึกคิดเรื่องเลยเลื่อยเปื่ยจนฟุ้งซ่านรําคาญไปมันไปไม่ได้เพราะมีธรรมนะธรรมะคุมอยู่ มีสติธรรมสัมปชัญญะธรรมขันติโสระจัยริโอตปะธรรมควบคุมอยู่อกิเลสมันก็แวดล้อมอยู่นั่นแหะมันเกิดขึ้นไม่ได้มันยังไม่หมดไปไหนต้องพิจารณากําหนดจดจอ่อย้อนไปย้อนมาอคุยเคี่ยวกันไปคุยเคี่ยกันมาขยับเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยปลูกฝังตัวเองเข้าไปเรื่อยเป็นพื้นฐานให้กับตัวเองขึ้นไปเรื่อย เราก็สร้างอยู่อย่างนี้แหละทั้งหมดนี้ที่เราพูดไปไม่มีที่ไหนดูไปอยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดรอบๆจิตของเราทั้งหมดพูดถึงพฤติกรรมกิริยาการของจิตมันแสดงออกมาทางกายเป็นกายกรรมแสดงออกมาทางวาจาเป็นวจีกรรมถ้าไม่พูดถึงกายกรรมไม่พูดถึงวจีกรรมมันเป็นเรื่องของมโนกรรมทั้งหมดนึกคิดอยู่ข้างในไม่ได้ผ่านมาทางกายกรรม ต้องมาแสดงกายกรรมทำกายทางวาจาวาจีกรรมมาพูดม า, ามาพูดมาคุยมาสาบมาแช่งมาดา่ามาอะไรสารพัสเนี่ยทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีซึ่งเป็นวจีกรรมเป็นพฤติกรรมทางนั้นเป็นกิริยาการทางนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเป็นช่องออกของจิตมาแสดงกายกรรมวจีกรรมปัญญาเหล่านี้เราสามารถสร้างได้ทาได้ ความฉลาดความสามารถว่าสร้างได้ว่าทําได้เพิ่มความรู้สึกเพิ่มความรู้สึกให้เกิดอยากได้อยากดีอยา ก, ยากมีอยากเป็นให้เรามีสมาธิมีความสงบเพราะความสงบเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานเราก็มาจดจ่อลงมาปั๊บไอ้จิตของเราได้รับความสงบสงบอยู่กับคําบริกรรมก็อย่างนับพอดีมันจะเป็นการพัฒนาเพิ่มพูน ไ ป, ไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานมันมีกําลังมันมีพลังสะสมเหมือนเรามีหม้อแบตเตอรี่นั่นแหละเก็บสะสมพลังงานจากแสงพระอาทิตย์นั่นแหละพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันเก็บสะสมอมันเก็บสะสมไปเรื่อยแล้ลองปล่อยแสงอาทิตย์มันผ่านมาแล้วเอามาใช้งานได้เลยพอหมดแสงอาทิตย์พลังงานสะสมมันก็ไม่มันก็หมด สมาธิที่เราพยายามทําให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นก็เหมือนกับพลังที่มันค้างอยู่ในหมอ้อแบตเตอรี่นั่นะหมอ้อแบตเตอรี่มันเก็บเอาไว้หมอ้อแบตเตอรี่มันเก็บเอาไว้ฝนแดดไม่ออกสองวันสามวันอ่าวมันมีพลังเก็บเอาไว้แล้วไปเปิดใช้ได้สองวันสามวันเราสามารถมีพลังได้ทําให้เรามีแสงสว่างใช้ได้จิตของเราที่เพิ่มพูนความสงบภายในแตัวเราเอง เอามาก็หมดจดจ่อพิจารณาอะไรเั อ, อะไรแต่มันก็ยังเป็นความสงบอยู่นั่นแหละมันไม่ทำให้จิตของเราสายแสวุ่นวายฟุง้งซ่านํำคาญเป็นพลังสะสมเป็นพลังสะสมของความสงบตรงกันข้ามถ้าเราไม่สะสมเอาไว้เราไม่ตุนพลังเอาไว้เราใช้แค่ได้แค่วันเดียวสมมติวันนี้แดดส่องมาทั้งวัน<ม>พอหมดแสงแดดพลังที่ส่งมามันไม่มีแล้ว เพาะฉะ้นครูบาอาจารย์ท่านสอนให้สมาธิปัญญาสมาธิปัญญาสมาถาวิปัสนาสมาถาวิปัสนาจึงถูกต้องตามหลักตามข้อปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลอย่างแท้จริงนะเพื่อมรักเพื่อผลอย่างแท้จริงอ้าวแล้วหลักมหาสติน่ะหลักมหาสติก็มีสมาถะอยู่ในนั้นวิปัสนาอยู่ในนั้นเราไปกำหนดจุดจ่ออยู่ดีๆเราเจริญมหาสติเอาสติกำหนดจุดจ่อนี่แหละ มันก็จะเริ่มให้ผลคือความสงบคือความสุขขึ้นมากำหนดจดจ่อทําลายความวุ่นวายอยู่ข้างในอยู่ในภายในมันกวนอยู่ข้างในลึกๆทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งกิริยาปรากฏที่เป็นรูปที่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเนี่ยท่านให้เราเราเรืรู้ที่เป็นกายท่านก็เรียกกายยานุ ป, ปัสนากำหนดจดจอดูความกิรยิยาการเคลื่อนไหวของกายในขณะใช้สติกำหนดจดจ่อ ม่อก็มีความสงบสงบมีปัญญาไปพร้อมๆกันรู้ตัวไปพร้อมๆกันเพระนท่านจึงให้ให้เจริญให้เจริญสติให้เจริญมหาสติที่ถ้าเราแยกแยะมาเพื่อความสงบเอา้าคนไม่มีสติสามารถทำให้สงบได้ไหมไม่มีความสามารถทำให้สงบได้คนจะมีสมถะก็จะต้องเป็นผู้มีสติคนจะมีปัญญาก็จะต้องมีสติ เพราะสติเป็นตัวผลงานปัจจุบันที่เราปรับปรุงส่งเสริมให้เขาเกิดขึ้นให้เขามีขึ้นจิตของเรานั้นมันมันจะมีเป็นขณะแป๊บแป๊แป๊แป๊บเรากําหนดจุดจอไปที่จิตของเราเราจะเห็นภาวะธรรมชาติเหล่านี้อมันสามารถทําให้พฤติกรรมเก่าเปลี่ยนไปพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้นมาพฤติกรรมเก่าเปลี่ยนไปพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้นมาพฤติกรรมเก่า ที่เรากําลังจดจ่ออยู่เนี่ยเปลี่ยนไปพฤติกรรมใหม่โผล่ขึ้นมามันเป็นขณะถ้าเราจะเที่ยบก็เหมือนนาฬิกามันแตก๊แตกแท๊แกแท๊กแท๊กดูลักษณะอีกอันหนึ่งข้อนี้แหละข้อไม่คงที่ของมันแต่ตัวที่ประทับต่อเนื่องอยู่นั้นคือตัวสติคือตัวปัญญาคือตัวสติคือตัวปัญญาเหมือนอย่างที่เขาว่านี่แหละความหมุนของพระลมก็ตาม ความสว่างของแสงไวไฟบนหัวเหล่านี้ก็ตามมันจะทำงานขาดช่วงกันแต่โดยเหตุที่มันไปต่อเนื่องที่ทนเรียกว่าสันติสันติจึงทำให้เรามองเห็นเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันแท้ที่จริงมันติดขาดติดขาดติดขาดมันเป็นไปตามคลื่นของมันคลื่นของมันมันเป็นคลื่นมันเป็นระลอกเหมือนคลื่นเราดูปฏิทคลื่นมันจะมีมาเป็นระลอก ระลอกเล็กลอกใหญ่มันจะตีกันมาเรื่อยตีกันมาเรื่อยเป็นลอกระลเป็นระลอกเป็นระลอกจิตของเราถ้าจะเทียบก็เป็นระลอกเป็นระลอกนั่นแต่ตัวที่โร่อยู่คือตัวสติคือตัวปัญญานะเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานกำหนดจดจ่อที่ยิบละเอียดเข้าไปเอาอะไรเป็นตัวโร่ก็ตัวสติตัวปัญญาที่เราสังสมอบรมมานี่แหละคือเหมือนอย่างวิตกพุทโธพุทโธพุทโธเอาอะไรวิตตก ก็เสตินั่แนแหละดำดัมิสติก็ลึกได้พุทโธพุทโธ โ, ธ โ, โดยที่ไม่ปล่อยให้มันนึกคิดเองตอนแรกๆเรา ก, ก็ตั้งเจตจํำนองเข้าไปดําริวา่าพุทโธตั้งเจ ต, ตนาที่จะว่าเลยพุโทธโธพุทโธเป็นวิตกวิจารณก็คือประครองคําว่าพุโทโธให้ไปยาวยาวเป็นวิตกเป็นวิจารณแล้วดูเป็นเป็นสติเป็นปัญญาไปใ น, น, นตัว เราดูมาแล้วเราจะเห็นว่าสี่งเานี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตของเราให้ดีได้รู้เข้ามาสิเราจะเห็นว่าสิ่งเานี้เป็นเครื่องมือพัฒนาจิตของเราให้ดีได้เหมือนกับเป็นการซักเป็นการฟอกจิตของเราเนี่ยให้เลื่อมให้ใสให้แพรวให้พราเหมือนถูกขัดหรือเหมือนถูกชักถูกล้างนะถูกถูก แช่ให้ตกตะกอนเหมือนมันตกตะกอนเหมือนกระน้ําที่มันขุนๆถูกสิ่งเหล่านี้สักฟอกอถูกฝงฝงฝงเหล่านี้มันซักมันฟอกมันกัดให้หล่นให้ตกตะกอนเหมือนกับสารส้มที่เราแกว่งมันทําให้ตะกอนมันลงตะกอนมันก็ลงสติสัมปชัญญะเพภายในจิตของเราก็เช่นเดียวกันพูดไปทั้งวันมันก็มีแต่เรื่องที่เกี่ยวกับจิตของเราทั้งนั้นแหละ พยายามภาคปฏิบัติพยายามกำหนดจดจอมาที่จิตไปนั่งไปยืนไปเดินไปอะไรที่ไหนตรงไหนงงสับสนขึ้นมาจอขึ้นมาปั๊บหยุดอยู่นี่แหละจอเข้ามาปั๊บก็หยุดอยู่นี่เราจะไม่สับสนแล้วก็ค่อยๆกำหนดจดจอพิจารณาไปสติเมื่อสติมีสัมผััญญาก็จะเริ่มมีเราตั้งใจไปมากสัมผชัญญาก็เพิ่มขึ้นมากรู้ตัวสติ ความรู้ได้สัมผัสัญญะความรู้ตัวอเราไม่ต้องไปกําหนดดอกเอออันนี้อ๋อันนี้เป็นตัวสติอ๋ออันนี้เป็นตัวสัมผัสัญญาเรากําหนดรู้ได้กันที่จะทําให้เรารู้ว่าจะทําให้เรารู้จักใคร่ครวนไตรตรองถึงพลังของเรากําลังของเราถ้าเราจะเที่ยวคือเหมือนกับว่าเราดูน้ํามันว่าน้ํามันเราจะมีอะไรตกค้างอยู่ไหมหรือน้ํามันใกล้จะหมดแล้ว โอ้นามรัมีมากสติมีมากกำหนดจดจ่อมากสัมิชัญญะเรามีมากโอสติเรามีโอสัมิชัญญะเรามีกำหนดจดจ่อกิริยาเรนี้เป็นกิริยาของสติโอกิริยาเรนี้เป็นกิริยาของสัมิชัญญะกำหนดจดจ่อเข้าไปเราพยายามทําความรู้สึกอยู่กับนั้นในนั้นนี่เป็นภาคปฏิบัตินะเป็นภาคปฏิบัติ เรากำหนดจุดจอมันเกิดความเกิดความเข้าใจในใจของเรางานอื่นอย่างอื่นเวลาอื่นอย่างอื่นเป็นเรื่องอื่นไปหมดถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างอื่นมันปลีกย่อยไปหมดก็จิตสอดส่องไปกับอะไรมันรู้มันเข้าใจไปหมดสบายสะดวกถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เรารู้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องประกอบของใช้ของสอย ในการทำงานทำการมันก็มีกระกระใจที่จะทำงานทำการมันได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความชุ่มเย็นมันหากมีรสชาติของมันนะมีรสชาติของมันใครเคยทำได้คนนั้นเคยรับรู้รสชาติมันมีรสชาติของมันสิ่งนี้แหละเป็นพลังดึงดูดจิตใจของเราสร้างกำลังใจให้กับใจของเรา ให้เรากระตือรือร้นให้เราหาช่องหาโอกาสให้กับตัวเองพุทธิเจตั้งออกตั้งใจหาสิ่งเหล่านี้จนสามารถทิ้งสิ่งอื่นหมดสิ่งเราอื่นตกไปหมดหมดคุณค่าถ้าเราประสระบพบเห็ุพเหตุประสระบพบเห็นสิ่งเหล่านี้สิ่งเราอื่นจะหมดคุณค่าเพราะความสุขทั้งหลายทั้งปวงมันสู้ความสุขจากที่เราประสบนี้ไม่ได้ความสุขอย่างอื่นดีใจบ้างเสียใจบ้างเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นชมชมซะหน่อยมีคนติแล้ว สุขใจกับสิ่งนั้นสักหน่อยหนึ่งมีสิ่งนี้มาตัดอีกแล้วทุกข์อีกแล้วอมีคนชมสักหน่อยหนึ่งอีกไม่นา น, อ, า น, นาอ้าวคนอินไทยแล้วโอ้ยทุกข์อยู่ตลอดร่ําไปแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกที่ท่านเลี้ยวโลกก็ทำโลกก็ทำเราจะหยบหลบไปอยู่โลกไหนมันก็ต้องมีอยู่อย่างนี้นอกจากหลบเพื่อมาศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเข้าใจแล้วก็วางไว้เข้าใจแล้วก็วางไว้ววไวอ๋อเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้อ๋อเรื่องของโลกเป็นี้ เรื่องของโลกเป็นอย่างนี้ดูมาที่ความจริงที่ใจของเราระ ง, งับสิ่งเหล่านั้นได้เรามีความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์พระเจ้าท่านจึงทรงยกยก่องนัตติสันติปรังสุขขังสุขเกิดจากความสงบไม่มีตั้งใจทําเอาตั้งใจฝึกฝนอบรมเอาบุญบารมีอย่าไปอิจฉารอาอใจยอย่าไปอิจฉารอาอใจ อย่าไปอิ่มไปพอมีกอกตอนไหนทีไรเมื่อไหร่เรายังไม่เต็มหัวใจของเรายังพร่องอยู่อย่าไปอิ่มอย่าไปเต็มสันหน่อยหนึ่งท้าเป็นเรื่องของกิเลสมันมันอยากให้อิ่มให้เต็มมันก็มากระซิบกระซาบอยาทำเอ้ยเหนื่อยเอ้ยขี้เกียจเอ้ยนอนสบายสบายน่ไปเือรออะไรคนอื่นเขาไม่เห็นทำแน่เอาไปใส่คนอื่นแล้วเอาไปใส่คนอื่นแล้วทให้กิเลมันขึ้นเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมมันเสียดายแต่ละขณะจิตล่วงไปมีประโยชน์อยู่กับเนื้อกับตัวมีประโยชน์ยับยับยับยับมีประโยชน์ตลอดเพิ่มคุณสมบัติให้กิบจิตของเราเป็นการสร้างรัว้วสร้างกำแพงสร้างอำนาจมาปิดมากัน้นอำนาจฝ่ายต่ำคือกิเลนนั่แหละให้มันมเบี่ยนเปียนใจชะลอหรือระงับ กิเลสใหม่ไม่ให้เกิดอืมันเข้าหลังฉลองระงับกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดกิเลสเก่าที่เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจก็พยายามทําความสงบพยายามใช้ปัญญาพิจารณาทําลายความหลงของตัวเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นได้ด้วยอํานาจของความหลงของตัวเองนะหลงนึกหลงคิดหลงปรุงหลงเครียดหลงแค้นหลงอิจฉาหลงโลภหลงโกรธหลงราคะหลงตัณหา มีความหลงเป็นพื้นเป็นพืชเป็นฉากอยู่ข้างหลังทุกกิริยาอาการดูไปให้เห็นเรจะเข้าใจเรื่องธรรมะ